ขอเชิญทุกท่านนะทั้งผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้สนใจปกติเวลาพูดถึงศิลปะเนี่ยเราก็มักจะพดถึงความงามแต่จริงแล้วศิลปะเนี่ยเป็นสื่อหรือแสดงออกไม่แต่เฉพาะความงามแต่ว่าสามารถจะสะท้อนความจริงและความดีได้การที่จะนำเอาศิลปะมาสะท้อนความจริงอันหนึ่งเนี่ย ซึ่งไม่ค่อยมีคนทำกันเท่าไหร่ก็คือสะท้อนความจริงเกี่ยวกับความตายหรือชีวิตในช่วงสุดท้ายของเราเวลาพูดถึงความตายเนี่ยถ้าเป็นศิลปะหรือศิลปะแขนงอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเน้นให้มันดูน่าตื่นเต้นหรือน่ากลัวศิลปะเวลานี้เวลาพูดถึงความตายเนี่ยก็จะเน้นความน่ากลัวซึ่งก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกผักใส แล้วก็กลัวความตายมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความตายมันมีหลายมิติที่สามารถจะให้เราได้เรียนรู้และถ้าเกิดเรามีความเข้าใจหรือแหล่เห็นความจริงของความตายอย่างรอบด้านเราก็า จ, จะพบว่าความตายนั้นไม่น่ากลัวเราสามารถจะเป็นมิตรกับความตายได้ นะครูบาอาจารย์อย่างเช่นท่านาจารพุทธทาสก็เคยพูดว่าคนเราเวลาใกล้าตายเนี่ยมันเป็นนาทีทองของชีวิ ต, นะตถ้าเราเราจะพลาดจากนาทีทองนั้นท่านเราไม่เข้าใจความตายอาตมาว่าก็เป็นเรื่องที่น่าหยุดยที่จะมีการนําเอาศิล ป, ปะที่เราจะไม่คุ้นหูนักหนูโตมาเป็นสื่อในการที่สะทอ้อนไม่เห็นถึง ความงามความดีและความจริงที่สื่อเนื่องกับความตายพนะอนนี้พูดถึงความตายเนี่ยเราก็มักจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับชีวิตเป็นอีกอีก อ, อีกสิ่งหนึ่งของชีวิตของถ้าชีวิตเป็นด้านหนึ่งความตายก็เป็นด้านตรงข้ามแต่ในธรรมศาสนาเนี่ยชีวิตกับความตาย มันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะในแต่ละขณะที่เรามีชีวิตยอยู่ความตายก็เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าทางกายหรือทางใจในแต่ละขณะเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันตายทราบหรือไม่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยเรามีเซลล์ที่ตายในร่างกายของเราเนี่ยเท่าไหร่ประมาณห้าพันหรือห 0,000 ล้านเซลล์ที่ตาย ในแต่ละวันถ้าตายในแต่ละกี่ชั่วโมงก็เอา24หา น, นี้คือความจริงที่เรามักจะมองข้ามในทางวัธรยานซึ่งเป็นพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่งเนี่ยพูดถึงความตายไว้น่าสนใจโดยพยายามโดยเชื่อเห็นว่าในเวลาที่เราฝันเนี่ย เวลาที่เราฝันเราหมดความรู้สึกตัวแล้วเราก็ฝันเป็นเรื่องราวอันนั้นเนี่ยมันคือตัวอยา่างหรือภาพสะท้อนของบาโดในเวลาที่สิ้นลมหรือในเวลาที่สิ้นชีวิตถ้าอยากจะรู้จักว่าบาโดคืออะไรไม่ต้องรอให้ตายก่อนตอนที่เราหลับ แล้วฝันไปนั่นแหละอันนั้นแหละคือบาโดนเล็กน้อยนะที่มาเยี่ยมมาเยือนเราในยอย่างที่ยังไม่สิ้นลมคราวนี้ธรรมาก็าอธิบายเรื่องบาโดนสักหน่อยนะคือพุทธศาสนาไม่ว่านิกายใดเนี่ยก็จะมองว่าเมื่อคนเราสิ้นลมเนี่ยหัวใจหยุดเต้น มันก็นไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของชีวิตมันยังมีสิ่งสืบเนื่องต่อไปประสบการณ์ของคนที่ตายไปแล้วและฟื้นขึ้นมาจะมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันเมื่อเมื่อวานนี่เองก็มีคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังถึง แม่ของคุณหมอคนหนึ่งคือแม่ก็ชลาแล้วคุณหมอผู้นี้ก็เป็นหมอไทยแต่ไปไปไปรักษาไปทำไปมีอาชีพในประเทศอเมริกาเมื่อแม่ป่วยหนักเนี่ยก็บินจากอเมริกาแต่มาถึงเมืองไทยก็ได้อยู่ดูแลแม่แค่วันสองวันแม่ก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็สิ้นหลม ตัวลูกชายเนี่ยรับไม่ได้ที่แม่ตายอย่างรวดเร็วเหมือนกัที่จริงก็ไม่ไม่รวดเร็วนะแต่ว่าแกเพิ่งมาดูดูใจแม่ได้แค่วัน2วันก็ พ, ย, พยายามขยับตัวแม่บอกว่าแม่อย่าเพิ่งไปทําไมแม่ทิ้งผมไปอุตสามามาหาแม่อยู่แค่วัน2วันน่าก็ไปแล้วต่อว่าแม่บอกว่าสักพักแม่ก็ลืมตาขึ้นมาทุวนั้นมีการปั้มหัวใจด้วยนะ แล้วแม่ก็เล่าว่าทีหลังอย่าเรียกแม่กลับมานะแล้วแม่ก็เล่าว่าตอนที่หัวใจอยู่เต้นนี้เห็นความมืดมืดหมดเลยแล้วก็เห็นแสงสว่างอยู่ไกลๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนถึงแสงสว่างนั้นเหมือนกับแสงสว่างปลายโคมแม่บอกว่าตัวนั้นสบายมากแต่ว่าพอจะไปถึงแสงสว่างก็ได้ยินเสียงลูกเสียง เสียงร้องของของลูกให้แม่กลับมาแม่ก็เลยกลับมาแล้วก็บอกลูกว่าทีหลังอย่าเรียกแม่มาซึ่งก็ตรงกับกรณีอีกคนหนะึ่ะแกเป็นมะเร็งแล้วก็อกใจก็แก ก, แ ก, ก, แ ก, ก็เข้าขห้อ่ไอซียูเสร็จแล้วหัวใจก็หยุดเต้เนหมอก็ปั้งขึ้นมาปั้งขึ้นมาแกก็รู้แล้วว่าคงจะมีชีวิตอยู่ได้อไม่นานคงตายแน่ก็เลยบอกหมอว่าหมอ ถ้าผมหัวใจหยุดเต้นนะอย่าปังมอีกนะแล้วข้าววันนั้นเนี่ยแกก็หัวใจหยุดเต้นเออหมอหมอประจำตัวไม่อยู่หมอเวเนี่ยเห็นคนไทยหัวใจหยุดเต้นก็ปั้มกันใหญ่นะแกฟื้นขึ้นมาก็เรียกลูกมาแล้วก็บอกว่าแกพูดภาษ า, าแกว่ากูนึกว่ากูจะไปสบายแล้วพวมือนดันลากกูกลับมาอีกนะ แตบว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่หัวใจอยู่เต้นเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยลอยตัวเองนิสึตลอยขึ้นมาแล้วเห็นตัวเองแล้วก็เห็นเห็นเด็กที่ดูแลเนี่ยไปเรียกหมอเห็นหมอกําลังฟังเห็นพยาบาลกําลังปัง้มช่วยกำลังปั้มหายาหัวใจจนกำลังฟึ้นขึ้นมา ต, ตัวอย่างแบบนี้นี่เราจะพบว่ามีเยอะมากนะฮะเราเรียกสภาวะเช่นนี้สภาวะใกล้ตาย แต่ถ้ามองในทางการแพทย์เนี่ยคือก็ตายไปแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วคือถ้าไม่ปั๊มนี่ก็ไม่กลับมาแต่ว่าสิ่งนึงสสิ่งหนึ่งที่สอ2 ก, กรณีได้ชี้เห็นก็คือว่าแม้หัวใจหยุดเต้นหรือแม้ว่าตายตายในทางการแพทยแล้วเนี่ยแต่ยังไม่จบยังรับรู้ได้ยังรับรู้เห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวจากมุมสูงหรือ เห็นความมืดและแสงสว่างที่อยู่ไกลๆซึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อธิบายไได้เพราะทยาวิทยาศาสตร์ว่าหัวใจหยุดเต้นหมดลมก็ถือว่าตายแต่ทางพุทธศาสนาบอกว่ายังมีความสือเนื่องของการรับรู้ซึ่งเราเรียกว่าชีวิตหลังความตายตรงนี้แหละที่เรื่องบาโดเนี่ย ถึงเป็นเรื่องที่คนสนใจกันเวลานี้ชาวตวนตกเนี่ยซึ่งซึ่งเชื่อในวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เริ่มสนใจชีวิตหลังความตายมากขึ้นและภูมิปัญญาอย่างนที่เขาสนใจเพื่อจะอธิบายชีวิตหลังความตายนี่ก็คือพุทธศาสนาแบบวัชรยานหรือแบบทิเบตเพราะตอนนี้เนี่ยผู้ที่ศึกษาแบบตวนตกแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายอมรับแล้วว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วเนี่ย เมืองและเขาฟื้นขึ้นนำ ข, ข, ขึ้นขึ้นมาใหม่เนี่ยจะผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่าเ e ียเ e ียนเอ็กซ์เพรีคือประสบการณ์ใกล้าตายประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่ฟื้นมาหลังจากที่หัวจใจหยุดได้แล้วเนี่ยจะผ่านประสบการณ์ใกล้าตายซึ่งคล้ายๆกับที่ทางทิเบตได้ได้ได้พูดไว้มาหลายร้อยปีแล้วประสบการณ์นั้นอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการที่ได้ ได้เข้าไปในความมืดแล้วก็เห็นแสงสวา่างแต่คราวนี้นตบานขออธิบายหน่อยนะเวลาพูดถึงว่าบาโดเนี่ยนะมันมีหลายมันมีหลายประเภทนะถ้าจำแนกก็มีสิประเภทในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่อันนี้ก็เรียกว่าบาโดอย่างหนึ่งในช่วงที่เราเลิกจะตายใกล้จะตายจนกระทั่งหมดลมแล้ว เกิดภาวะแสงประจ ա วหรือแสงสว่างอย่างที่คุณยานเมื่อกี้เล่าเนี่ยก็คือบาโดอันหนึ่งแต่บาโดที่ที่พูดถึงกันมากเนี่ยเราเรียกว่าอันตรภพก็คือภาวะระหว่างความเกิดและความตายนะหมายถึงว่าเมื่อหมดลมแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปเกิดใหม่เนี่ยมันจะไอช่องว่างตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าบาโดนะ หรืออันตรภ พ, พซึ่งอาจจะอาจจะกินเวลาไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยก็49วันโดยเฉลี่ย49วันก็คือประมาณ7อาทิตย์อันนี้คือเหตุว่าทำไมเราถึงมีการทาบุญครบ50วันเพราะว่าไอ้49วันเนี่ยมันก็คือมันก็คือช่วงที่จะจะยังไม่เกิดนะ ซึ่งในช่วงที่เป็นอันตระพบเนี่ยผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยในช่วงแรกอาจจะยังจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายยังจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครยังมีสายใยยังมีความผูกพันกับกับพ่อแม่พี่น้อง แต่เขาจะพบว่าโดยพวกคนที่ไม่รู้ว่าเตืนตายเนี่ยเมื่อกลับมาหาบ้านเมื่อกลับมาที่บ้านกลับมาหาพ่อแม่กลับาหาพี่น้องไม่สามารถคุยเั่งได้พวกเราถ้าเคยดูหนังเรื่องซิกเซ็งนะมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามามาเจอแต่แต่คุยไม่ได้ไม่สามารถจะสื่อสารกับเขาได้นี่คือนี่คือช่วงแรกของสภาวะที่เรียกว่าบาโต ร, ร อ, อตรภพ ตรงนี้เองเนี่ยถ้าขายที่ไม่พร้อมจะตายเนี่ยยังมีความห่วงยังมีความกังวลยังมีความอะไรยังมีความเสียใจก็จะไม่สงบนะห่วงลูกห่วงหลานห่วงพ่อห่วงแม่ก็จะมีความทุกขนะ์เป็นความทรมานแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่สามารถจะกลับไปสู่ ชีวิตแบบเดิมได้ช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นช่วงที่ความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตที่เคยผ่านมาก็จะหายไปนะแล้วก็จะอยู่ทางกลางความมืดและในความมืดนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามีความระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตอดีตไกลๆเลยเนี้ยกลับมา ใครทำความดีเอาไว้ก็จะรู้สึกสบายใจใครทำความชั่วเอาไว้ก็จะเสียใจก็จะเกิดความตื่นตระหนกหรือรู้สึกผิดขึ้นมาและตรงนี้เองที่มันจะเกิดพายุนะคือเขาเรียกว่าแรงกำพายุแห่งกำรร ม, มันก็จะซั่งกระหนำ่ำซึ่งกุฎูชนเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติถ้าไม่ได้เจริญสติ ก็จะเกิดความตื่นตกใจและตื่นตกใจแล้วยนงก็จะวิ่งหัวสุกหัวสุงมไปหาที่ที่จะหลบภัยตรงนี้แหละที่จะเริ่มห้อยหาร่างหรือพบที่จะไปเกิดพายุกรรมที่ผักทำให้ตื่นตกใจแล้วก็เจ้าจะต้องอยากจะหาพบที่จะไปเกิดใหม่ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีอยู่มันก็มีหกพ6ภูมินะคือถ้าแ บ, บ่งเป็น2คือสุคติแล้วก็ทุคติสุคตกิก็คือมนุษย์และเทวดาทุคติก็คือเดรัจฉานเปรตสุรกายแล้วก็นรกนะอันนี้เขาอธิบายไว้นะว่า เมื่อเจอแรงกรรมเนี่ยก็จะแสวงหาพบเกิดเห็นรูก็จะเข้าไปก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมาอยู่ในรูเห็นปราสาทเป็นโลหะก็จะวิ่งเข้าไปก็อาจจะไปมาโลหหรือว่าเห็นถ้าเกิดเห็นพ่อรือแม่ที่ พ่อหรือแม่ในอนาคตที่กำลังจะหลับนอนกันและเกิดปฏิกิริยามีจิตปฏิพัทธ์ภูพันแม่ผู้หญิงมีจิตปฏิเสธไม่ชอบหรือปฏิวิศยาผู้ชายก็จะไปเกิดเป็นผู้ชายซึ่งตรงนี้เนี่ยฝรั่งเขาแปลกใจมากเพราะว่ามันสามารถอธิบายมันตรงกับแนวคิดของ ของตรอยได้หรือเรื่องของ GP rop, เจ็บปิครอ์เรื่องปมโอเดปุสเนี่ยอันนี้นตมาก็จะอธิบายมากแต่ประเด็นก็คือว่าคนเราถ้าหากทำกรรมอะไรไวนะ้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่กรรมเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เพียงแต่จะส่งผลในขณะที่เรายังมีชีวิตเท่านั้นแต่มันยังสามารถจะตามไปจนกระทั่งถึงในอันตรภพได้ ถ้าทํากรรมไม่ดีแรงกรรมที่ไม่ดีนี่ก็จะทำให้เกิดความตื่นตระหนกโกใจทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้เกิดความอาลัยแต่ถ้าเป็นแรงกรรมแต่ถ้าทํากรรมดีไว้แรงกรรมก็จะทําให้เกิดความสุขมงคกันแต่ว่าก็ยังต้องเจอกับพายุพายุแห่งกรรมที่ทําให้ต้องไปเกิดใหม่ตรงนี้แหละที่สําคัญมากที่การแสดง บุโตเนี่ยเขาจะสะท้อนให้เห็นเขาจะจำลองให้เห็นว่าในภาวะที่ต้องอยู่ในอัตราคมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่น่าจะยําก็คือว่าถ้าหากคนเร า, าทำความดีก็จะเจอกับแรงกรรมอีกแบบหนึง่งซึ่งจะไม่ทำให้ทุกข์ทรามารมาก แัะเป็นหนงคือคนอยู่กับนิสัยด้วยนิสัยที่สะสมมาคนที่มักโกรธคนที่มักโกรธเนี่ยเมื่อเจอกับเหตุการณ์เจอกับพายุเจอกับแรงกรรมเหล่านี้น mm hmm. ก็อาจจะโกรธ mm hmm. ก็าจะคุนเคืองจิตเป็นอปกุศ์ก็ไปอบายได้แต่ถ้าคนที่มีสติเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆเข้ามารุมเร้าเข้ามาในสภาวะอันตรายพกเนี่ยสวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาใจให้ปกติได้ ไม่วันไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะก็จะสามารถไปสู่สุคติได้ตอนนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันบอกอะไรกันเรานะมันก็บอกว่าคนเราเนี่ยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากถ้าเราทาความดีนะเราก็จะไปสู่สุคติถ้าเราทาไม่ดีมันก็จะไปถูกติได้ การทําความดีทําได้หลายอย่างนะการให้ทานการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การทําบุญซึ่งไม่จำเป็นต้อ ง, องทํากับพระนะหรือว่าการช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็เป็นการทําความดีที่จะทําใหเา้เกิดเกิดเกิดปัจจัยไปในทางที่เอื้อต่อสุภะติภูมิได้คราวนี้พนเราจะทําความดีเนี่ยนะ เราก็ต้องทําดีอีกอย่างนึ่งคือการสร้างทิสัยที่ดี ด, ด้วยไม่ใจร้อนไม่กลายเกลี้ยงไม่โกรธเกลียดมากเพราะว่าถ้าจิตที่มีความโกรธที่มีความเกลียดบางคนทําเป็นคนที่เสียสละเป็นคนใฝ่ายดีแต่ว่ามีนิสัยใจร้อนมีความโกรธเกลียดมันก็อาจจะไปแสดงอาการในช่วงที่เป็นพาโดอันตรบก49วันซึ่งจะทำให้เป็นไปในทางที่ไม่ดีได้ การทำความนี้ก็ดีการสั่งสมที่ใส่ที่ดีเอาไว้ก็ดีซึ่งอันนี้ประโยงถึงเรื่องของการผัดทําสมาธิพรานาะการเจริญสติถ้าเราเจริญสติเราก็จะไม่ใช่นคนมักโกรธง่ายเราเจออะไรเราก็ทบทมีสติรู้ทันเราก็วางได้หรือคนที่มีจิตที่เมตตากรุณามีจิตที่สามารถจะวางเป็นบุเบกขาได้ก็สามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอันตราปพได้ อันนี้ก็จะทำถ้าเราเข้าใจความจริงแบบนี้และเราทำความดีสั่งสมนิสัยที่ดีจเจริญสมาธิภาวนานะรวมทั้งหมั่นจเจริญมรอนสติอยู่เสมอคือคนเราจะทำความดีบางทีเรากอ็อาจจะประมา ไม่รู้ว่าจะทํควาไม่รู้ว่าจะเร่งทําความดีไปทําไมจะนยังมีเวลาอีกเยอะหลายคนมันจะคิดแบบมีความตายเป็นเลืองไกลตัวไม่ต้องเร่งดี ก, ก็ได้นะไม่ต้องไปปฏิบททัติธรรมก็ได้เอาไว้แก่เพื่อไปปฏิบททัติธรรมอันนี้เราประมาณเพราะว่าไม่ได้เจริญมราณาสคสติคนที่เจริญมรรคสติจะรู้เลยว่าวันแต่ละวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้มีภาะสิที่เบญกล่าวไว้ว่า ไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนเราแน่ใจหรือเปล่าว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครแน่ใจหลายคนในโลกนี้หลายคนในประเทศนี้วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาไม่มีชาติไม่ดีไม่มีพรุ่งนี้แล้วพั้งจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลย อันนี้เรียกว่าจเจริญบรดัดาสติคือการระ่องเรืองว่าความตายสามารถจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหรก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทและเพราะฉะนั้นจึงควรทําความดีฝึกฝนพัฒนาตนให้เป็นคนสงบมีสติมีจิตเชื่อเสือผือแผ่แล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับความตายนัถ้าเราถ้าเราเข้าใจความตายตระหนัก หรือรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกับเราขณะที่กำลังจะตายแล้วก็หลังตายแล้วที่จริงขณะที่กำลังจะตายก็จะมีประกฏการณ์หลายอย่างนะซึ่งก็ ค, คล้ายๆกับเทวตมาพูดเมืนเน่อกี้ในทางฝ่ายฝ่ายพุทธศาสนาแบบเทวรวาแบบบ้านเราเนี่ยจะให้ความสําคัญกับภาวะก่อนตายว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิด น, นิดๆอะไรบ้างนะ คล้ายๆกับที่พูดมาเมื่อกี้นี้แต่ว่าก็จะเน้นว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นก่อนตายก่อนสิ้นลมแต่ท่าที่วัชระยาเนี่ยจะพูดมากจะอธิบายมากเกี่ยวกับภาวะหลังตายแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตายก็ตรงกันตรงที่ว่าถ้าทําความดีใจก็ไปดีไปสุขติถ้าไม่ถ้าทํากรรมไม่ดีเอาไว้ใจก็ไปทุกขติได้อันนี้ก็เป็นเป็น เป็นแง่คิดอันหนึ่งซึ่งอาตมาเชื่อว่าถ้าเราได้ได้ได้ทำความเข้าใจโดยข้อจากการแสดงในวันนี้นะก็อาจจะช่วยทำให้ได้แง่คิดแทนที่จะเกิดความตื่นกลัวก็อาจจะเกิดความสังวรระวังที่จะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก่อนที่จะปรินิพพานเป็นปัจฉิมโอวาทว่าสังขาทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าทั้งหลายจงเทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่ประมาทคือทำความดีหลีกนี้ความชั่วแล้วก็รักษาจิตให้เป็นให้เป็นกุศลบริสุทธิ์เสมออันนี้คือสาระคือความหมายที่เราจะได้ประโยชน์จากการเข้าใจเรื่องความตายไม่ว่า ในทัศนะของเทราวาหรือว่าร ย, ยากตาอธตบมาก็ข อ, ข อ, ขอเล่าถึงความหมายของบาโดนพอสังเกตัะเป็นเทาน่านี้นะค